ทรงอนุญาตให้เดินทางร่วมกันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายหนทางที่จะพึงไปด้วยกองเกวียนที่รู้กันว่าหน้าหวาดระแวงมีภัยน่ากลัวเราอนุญาตให้ชักชวนกระเดินทางไกลร่วมกันกับภิกษุณีได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้